เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่าย ก, กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาประพุติมาปฏิบัติมาบงเพ็ญบุญกุศลที่เป็นเหตุจะนำมาซึ่งความร่วมเย็นเป็นสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธพระธรรมพระสงค์คือมีความเชื่อ ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรุ้โดยชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้สิ้นกิเลสได้ชำระพระทยของพระองค์จนสะอาดหมดจดได้บรรลุถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วได้นำม ทรงนำเอาธรรมที่ประเสริฐที่ได้ทรงตัดสรุเห็นนี้มาเผยแผ่ให้แก่สารโลกเพระาะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแก่สารโลกทั้งหลายก็เป็นพระธรรมที่พวกเรามีจิตศรัทธามีความเรื่มใสมีความยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม พราะเชื่อว่าเป็นสวากขาตธรรมคือเป็นธรรมที่ตัดโดยชอบแล้วเคยถูกต้องแล้วตามหลักความจริงทุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญเรื่องสวรรค์เรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรื่อง ของมรรคผลนิพพานเรื่องของตายแล้วจะต้องไปเกิดใหม่หลานี้เรียกว่าเป็นสวากาตธรรมคือเป็นธรรมที่ตรงกับความจริงทุกประการไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเลยดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรลังเลสงสัยไม่ควรที่จะ ้ผู้อื่นที่หูหนวกตาบอดที่ไม่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้มาทำให้พวกเราไข้เขยได้มาสอนให้พวกเราทำอะไรต่างๆที่ไม่ได้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสรุปโดยย่อคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็สรุปลงที่กรรม คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของพวกเราแต่ละคนผลที่ตามมาก็คือความสุขความเจริญหรือความทุกข์ความเสือ่อมไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทำให้เราเจริญหรือเสือ่อมหรือทุกข์เจริญทุกข์หรือสุขได้ น, นอกจากการกระทำของเรา ถ้าการกระทำของเราเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นก็จะนําความสุขความเจริญมาให้แก่เราถ้าการกระทำของเราเป็นบาปเป็นกรรมสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งกับผู้อื่นและทั้งกับตัวเราก็จะนําความทุกข์ความเสื่อมมาให้แก่เราและเมื่ออนิสง์ของบุญและกรรมนี้ปรากฏขึ้นแล้ว รูอกำลังจะปรากฏรูอยังไม่ปรากฏถ้าได้ทําไปแล้วเราไม่สามารถไปลบล้างมันได้เราไม่สามารถแก้กรรมหรือแก้สเสด็จข้อด้วยวิธีการต่างๆดังที่ได้มีคนสอนมาวันก่อนก็มีคนเอาลูกมาฝากให้หลวงพ่อคนหนึ่งเพราะหมอดูบอกว่าจะมีข้อกรรมถ้าจะ ให้หายจากข้อกรรมก็ให้มาฝากเป็นลูกของพระความจริงเราก็บอกกาว่าถ้าอยากจะให้เป็นลูกของพระจริงๆพ่อก็ต้องบวชพอพ่อเป็นพระแล้วลูกก็จะเป็นลูกของพระเองแต่การที่เอามาถวายให้กับพระฝากไว้เป็นลูกนี้เป็นการหลอกหลอกกรรมกรรมมันไม่งงโพอที่จะเชื่อการหลอกของเราหลอก เพราะเราไม่ได้ให้จริงๆเราไม่ได้ยกลูกให้พระจริงๆเราเพียงแต่มาทำพิธีกรรมว่าขอยกลูกให้กับพระเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็เอากลับไปอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับเรากลับข้าวกับปลาของขาวของหวานมาถวายพระแต่ไม่มาประเคนพระตั้งไว้ข้างหน้าแล้วก็กล่าวคาถวายกล่าวเสร็จแล้วเราก็ยกกลับไปกินกันเองอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรบุญไม่เกิด การสะดอกข้อก็ทำไม่ได้คือข้อที่จะเกิดขึ้นจากกรรมที่เราทำนี้เราไปสะดอกไม่ได้เราไปดัดมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะให้มีข้อกรรมเราก็อย่าไปทำบาปทำกรรมเท่า น, นั้นเองเพราะไม่ทำบาปทำกรรมแล้วมันจะมีข้อกรรมมาได้อย่างไรเพราะข้อกรรมมันเป็นผลของการทำบาปทำกรรมนี่คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นหลักของเหตุและผลเหตุก็คือการกระทําผลก็คือบุญหรือความสุขหรือความทุกข์หรือข้อกรรมต่างๆมันเป็นสิ่งที่ตามมาดัางนั้นถ้าเรามีข้อกรรมเราก็ทำใจไว้เถิดยอมรับมันไปเหมือนกับรับกับพายุฝนฟ้าที่มันตกหาที่หลบให้ดีหาที่หลบ ภัให้ดีถ้าหลบไม่ได้ก็ทำใจคิดว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แล้วเราจะได้ไม่วุ่นวายใจไม่ทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกเรายอมรับกรรมโดยดุจสีโดยโดยโดยยอมถ้าเรายอมรับแล้วใจของเราจะไม่ว้าวุ่นขุ่นบัวใจของเราจะสุขสบาย เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือวิธีสะเดาะเคราะห์กรรมคือทำใจให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปสิ่งที่ไม่ไม่ไม่ต้องรับไม่ถูกเคราะห์กรรมมากะหนมก็คือใจนี้เองสิ่งที่จะถูกเคราะห์กรรมกระหนมก็คือร่างกายและสมบัติเข้าของต่างๆ เท่านั้นเองใจนี้ถ้ามีธรรมะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเคาะกรรมจะไม่สามารถเข้ามาเหยียบย่ำทำลายสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้อย่างพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีเคาะต่างๆมีกรรมมีเวรมาคอยจองล่างจองผานมาตามค่าถึงสามครั้งสามหน แต่พระทยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอุเบกขาวางเฉยไม่ตื่นเต้นไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดออพระองค์ทรงทราบ ว, ว่าถ้าจะทำได้ก็อย่างมากทำกับพระวรากายของพระองค์เท่านั้นเองและพระวรากายนี้ก็จะต้องตายไปเหมือนเหมือนกับร่างกายของผู้อื่นเมื่อถึงเวลาของมันดังนั้นเรา อย่าไปหลงเชื่อคนหูหนวกตาบอดที่สอนให้เราไปสะดะข้อกรรมด้วยวิธีการต่างๆหรือสร้างความเจริญด้วยวิธีการต่างๆเช่นให้ไปเปลี่ยนชื่อให้ไปเปลี่ยนนามสกุลให้ไปเปลี่ยนอะไรต่างๆให้เป็นของใหม่ของเหล่านี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ถ้าจะเปลี่ยนขอให้เราเปลี่ยนพุท ธ, ธกรรมของเราถ้าเราขี้เกียจก็ขอให้เราขยันถ้าเราขยันใช้เงินก็ขอให้เราขี้เกียจใช้เงินคนเราจะละจะรวยร่ารวยได้นะี้อยู่ที่หามากกว่าใช้ถ้าใช้มากกว่าหาแล้วต่อให้มีเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะรวยได้ให้ใช้น้อยกว่าที่ได้หามา แล้วส่วนที่เหลือก็ให้เก็บเอาไว้แล้วก็เอาไปลงทุนเอาไปขยายให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปรับรองได้ว่าต้องรวยแน่ๆเพราะนี่คือเหตุของความร่ำรวยถ้าเราศึกษาถึงประวัติของเศรษฐีทั้งหลายในโลกนี้<ๆ>ก็จะเห็นว่าเขาทำอย่างนี้ทั้งนั้นเขาหาเงินเก่งกว่าเขาใช้เงิน แล้วเขามีเงินเก็บแล้วเมื่อมีเงินเก็บมากขึ้นเขาก็เอานาเงินนี้ไปลงทุนไปขยายกิจการของเขาให้ให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นไปจนกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาได้อยู่ที่ความขยันหาเงินและอยู่ที่การขี้เกียจใช้เงินนี่คือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตาม ทรงสอนลงที่เหตุและผลทางนั้นและถึงแม้ว่าคำสอนนี้จะได้รับการสั่งสอนมาเป็นเวลาอันยาวนานถึง 2,500 กว่าปีแลว้วก็ตามแต่ความคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้เป็นอาการิโก คือไม่เสือ่อมไม่ไม่หมดไปตามการตามเวลาคือสอนอย่างไรในสมัยพระพุทธการจริงอย่างไรในสมัยพระพุทธการก็ยังจริงอย่างนั้นในสมัยปัจจุบันไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆที่มีความเสื่อมไปคุณภาพของสิ่ ง, งตา่างๆเสื่อมไปตามการตามเวลาเช่นอาหารหรือยุกยา ที่จะมีวันหมดอายุคำว่าหมดอายุนี่ก็หมายถึงหมดคุณภาพถ้าหลังจากวันที่เขาเขียนไว้แล้วก็อย่าไปรับประทานเพราะมันไม่เป็นประโยชน์มันจะเป็นโทษแล้วเพราะอาหารก็บูดหรือเสียรับประทานเข้าไปก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวอยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันรับประทานเข้าไปก็จะไม่ได้รักษาโรคให้หายได้ แต่กลับจะทาให้โลกนั้นมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกแต่ก็ทาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นของที่คงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาไม่เสื่อมไปกับการและเวลาทันสมัยเสมอไม่ล้าสมัยคนที่เห็นว่าคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นคนล้าสมัยนี้เป็นคนที่ล้าสมัยเอง เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจถึงความทันสมัยของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นคุณค่าอันวิเศษของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ช่วยเหลือให้บุคคลที่ปฏิบัติตามได้เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญให้ลดพ้นจากความทุกข์จากความเสื่อมเสียทั้งหลาย ดูคนที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าดูสิว่าเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเที่ยวกำคืนมีความเกลียดคร้านคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วชีวิตเขาเป็นอย่างไรมีความสุขหรือมีความทุกข์มีความเจริญหรือมีความเสื่อมคนพวกนี้เป็นพวกหูหนวกตาบอดไม่เห็นคุณค่าไม่รู้คุณค่าของพระธรรมคาสอน ของพระพุทธเจ้ากับเห็นว่าเป็นของลาสมัยเป็นของมงมงายพอได้ยินเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็หัวเราะเยาะเย้ยว่าเป็นเรื่องมงมงายมีใครเห็นนรกบ้างมีใครเห็นสวรรค์บ้างพวกนี้เขาไม่รู้เรื่องของจิตใจจิตใจของเขาเองเขายังไม่รู้จักเลยว่าเขามีจิตใจไม่รู้เลยว่าจิตใจของเขาเป็นอย่างไร เขาเพียงแต่รู้ว่ารู้จักเพียงแต่ร่างกายของเขาเท่านั้นเองเขาคิดว่าเมื่อร่างกายนี้ดับไปแล้วสูญตายไปแล้วทุกอย่างก็จบทำบาปทำกรรมมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีผลตามมาอีกต่อไปเพราะเขาเห็นเพียงแต่ร่างกายว่าเมื่อคนตายแล้วก็เอาร่างกายนี้ไปเผาไฟไม่ได้เอาไปลงโทษไม่ได้เอาไปจับเข้าคุกเข้าตารางแต่อย่างใด แต่เขาไม่รู้ว่าใจที่ครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่กำลังทุกอย่างแสนสาหัส ก, กับบาปกรรมที่ตนได้ทำเอาไว้นี่เป็นสิ่งที่เขามองไม่เห็นเหมือนพวกเราที่ไม่เห็นกระแสคลื่นของวิทยุโทรทัศน์หรือวิทยุมือถือ ซึ่งมีอยู่รอบตัวเราขนาดนี้แต่พอเราเอาวิทยุมาเปิดเอาโทรทัศน์มาเปิดหรือเปิดโทรศัพท์มือถือเราก็จะรู้ว่าอมีคลื่นนะเพราะว่าถ้าไม่มีคลื่นแล้ววิทยุเหล่านี้จะไม่ส่งเสียงไม่ปรากฏมีภาพขึ้นมาบนจอให้เราเห็นได้แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าๆของเรา แต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธว่ามันไม่มีฉันใดถึงแม้พวกเราจะมองไม่เห็นใจของพวกเราก็ตามถ้าเราเป็นคนที่ฉลาดที่เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่กล้าปฏิเสธเรื่องของใจมีแต่คนที่ไม่มีความรู้ไม่ได้ยิดคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะปฏิเสธว่า ไม่มีใจไม่มีผู้ที่จะไปรับผลบุญผลกรรมต่อไปนี่คือคำสอนของพระพุทธเจา้าทันสมัยอยู่เสมอเพราะสอนไปที่ใจนี้เองเรื่องของใจนี้ไม่มีวันที่หมดสิ้นไปตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ใจยังต้องพึ่งอาศัยธรรมะที่จะเป็นแสงสวา่าง นำพาจิตใจให้ไปสู่ที่ปลอดภัยถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานที่เป็นที่ปลอดภัยของใจยังใจ ย, ยังต้องอาศัยแสงสว่างแห่งธรรมนำพาไปถ้าปฏิเสธแสงสว่างแห่งธรรมแล้วก็เหมือนกับเดินในที่มืดเดินทางในที่มืดย่อมไปย่อมไม่ปลอดภัยย่อมไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ นี่คือความสําคัญของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้เราโอปัญยิโกคือให้น้อมเข้ามาสู่ใจของเราตอนนี้พระธรรมคำสอนของพระพุท ธ, ททธสสเจ้ า, า, จ า, นนายังอยู่นอกใจของเราถึงแม้จะเป็นธรรมวิเศษขนาดใดก็ตามแต่ยังไม่สามารถส่องแสงสว่างให้มากฏขึ้นภายในใจของเราให้ใจของเราเห็น สิ่งต่างๆที่เรายังมองไม่เห็นกันให้เราเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างชัดเจนต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมนี้น้อมเข้ามาสู่ในใจของเราเหมือนกับที่เขามีแสงสว่างขายเช่นไฟฉายทเทียนเหล่านี้ถ้าเราไม่ซื้อมาใช้ในบ้านในยามค่าคืนเราก็จะอยู่ในที่มืด เราจะไม่หอนเห็นเห็นอะไรในยามค่ำคืนต้องมีเทียนต้องมีไฟฉายถ้าไม่มีไฟฟ้าก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ไว้ไว้เปิดในตอนก่ำคืนถึงจะเห็นสิ่งต่างๆในยามค่ำคืนได้ฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแสงสว่างนำทางให้แก่สัตว์โลกนี้ ถ้าเรายังไม่น้อมเข้ามาสู่ใจของเราใจของเราก็ยังจะมืดบอดอยู่เหมือนเดิมยังไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำเอามาบอกพวกเราได้พวกเราต้องน้อมเอาพระธรรมคำสอนเข้ามาด้วยปริยัติธรรมคือการศึกษาร่ำเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็น้อมเข้ามาด้วยการปฏิบัติ ปฏิบัติ ธ, ธรรมพื่อน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติมาปฏิบัติกันเช่นทรงสอนให้เราละบาปทั้งปวงให้เราทําทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้เราชาระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปและวิธีที่จะละบาปก็คือการรักษาศีลนี่เอง ให้เราสมาทานศีลให้มีความตั้งใจที่จะรักษาศีลไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รักษาได้มากเท่าไหร่ก็จะตัดการกระทําบาปได้มากเท่านั้นเมื่อไม่มีบาปแล้วไม่ได้ทําบาปแล้วต่อไปก็จะไม่มีขคาะกรรมตามมาอย่างแน่นอนส่วนบุญท่านก็สอนให้เราทําหลายวิธีด้วยกันบุญที่เกิดจากการให้ทานอย่างยากโยม มาทำกันในวันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึง่งบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึง่งบุญที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมให้แก่ผู้อื่นเช่นเราร่วมบอยจากสร้างหนังสือธรรมะอย่างนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึง่งบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นคือเรายินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าเขาเดือดร้อนเขาไม่สามารถที่จะช่วยตัวเขาเองได้เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาตามแต่กําลังของเราที่เราจะทําได้เช่นเวลามีอุททุกภัยมีอักคีภัยผู้คนเดือดร้อนขาดอาหารขาดปัดจจัยสี่เราก็ช่วยกันบริจาคปัจจัยสี่คืออาหารน้ำเสื้อผ้ายุบยาให้แก่ผู้ประสบข้อกัง เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นการทำความดีเป็นการทำบุญหรือเวลาที่เราได้ทำบุญแล้วเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เราเคารพรักหรือไม่ก็ตามถ้าเราอุทิศไปแล้วเราก็ถือว่าเราได้ทำความดีเราได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น หรือเวลาที่มีคนเขาจะทำบุญเช่นช่วงนี้เป็นระยะที่มีการทำบุญทอดกะถินกันถ้ามีคนรู้จักเขาจะไปทอดกะถินเราก็ควรจะร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยมีมากไม่น้อยก็ฝากไปร่วมไปเราก็จะได้ทำความดีไปกับเขา <c oughs> เหล่านี้เรียกว่าเป็นการทำความดีให้แก่ตัวเรา แล้วเราจะได้รับอ น, นิสงค์จากการทําความดีเหล่านี้คือจะทําให้เรามีความสุขมีความเจริญส่วนการกําจัดความโลภความโกรธความหลงนี้เราก็ต้องใช้การภาวนาเป็นเครื่องมือเ <c oughs> พราะเป็นเหมือนกับการซักเสื้อผ้าเราจะซักเสื้อผ้าท่านในสมัยปัจจุบนันนี้เราก็ต้องมีเครื่องซักผ้ามีผงซักฟอก มีน้ำถึงจะมีไฟฟ้าที่จะทำให้เครื่องซักฟอกนี้ทำงานได้ถ้าเราไม่มีเครื่องซักฟอกเครื่องซักผ้าอย่างน้อยเราก็ต้องมีกาละมังมีน้ามีผงซักฟอกมีความขยันเราก็จะสามารถซักฟอกเสื้อผ้าที่สกรปรกให้สะอาดได้ใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่สกรปรกด้วย ความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเรามีความโลภความโกรธความหลงมากน้อยเพียงไรเราก็จะมีความเศร้าหมองมากน้อยเพียงนั้นถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงเลยเราก็จะมีแต่ความแจ่มใสมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความสดชื่นมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาอย่างใจของพระพุทธเจ้า ละใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเพราะท่านได้ละชำระใจของท่านจนสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยทุกวันนี้เวลาที่เรามีอารมณ์ไม่สบายอกสบายใจเสีย อ, อกเสียใจทุกข์กังวลกับเรื่องนั้นอย่างนี้สิ่งเหล่า น, นี้ล้วนเป็นผลของกิเลสตัณหาทั้งนั้น ไม่ว่าจะรวยหรือจะจนไม่ว่าจะสูงหรือจะต่ำไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าจะเป็นแก่หรือเป็นเด็กเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ยึดได้ขึ้นอยู่ที่ฐานะแต่ขึ้นอยู่กับกิเลสความเศร้าหมองที่มีอยู่ในใจว่ามีมากมีน้อยหรือไม่มีเลย ถ้ามีมากก็จะทุกมากเศร้าหมองมากถ้ามีน้อยก็ทุกน้อยเศร้าหมองน้อยถ้าไม่มีเลยก็ไม่ทุกเลยไม่เศร้าหมองเลยนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจและเครื่องมือที่จะใช้ในการชำระนี้ก็เรียกว่าภาวนาคือส ม, มะถะภาวนาและวิปัสนาภาวนา สมามถาก็คือการทําจิตใจให้สงบด้วยการเจริญพุทธานุสติคือให้มีสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็อานาปนาสติให้มีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจไปคิดด้วยเปื่อยเหมือนเมื่อก่อนนี้บังคับให้ใจคิดอยู่กับลมหายใจเข้าออก หรือให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธถ้าสติไม่มีกำลังมากพอที่จะลืมใจให้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ให้มีสติอยู่กับบทสวดมนต์สวดบทไหนก็ได้ที่เราจำได้ไม่ต้องนั่งพนมมือนั่งขัดสมาบิหลับตาเหมือนเรากำลังนั่งทำสมาธิอยู่ เพียงแต่แทงที่จะ บ, บริกรรมพุโทโธพุทโธเรือดูลมหายใจเข้าออกก็ให้สวดมนต์ไปอรหังสัมมาสวัสดิาโตสุปฏิปันโนสวดกลับไปกลับมาไปเรื่อยๆไม่นานจิตก็จะค่อยสงบตัวลง <c oughs> เมื่อสงบตัวลงแล้วเราก็สังเกตดูว่ามันอยู่เฉยๆได้ไหมมันไม่คิดอะไรได้ไหมถ้ามันจะคิดก็ลองให้มันดู บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้หรือดูลมหายใจไปก็ได้ทำต่อไปจนกว่ามันจะหยุดคิด <c oughs> ถ้ามันหยุดคิดจริงๆแล้วมันจะเหมือนกับตกลุมตกบอ่อตกลงไปในเหวแล้วมันก็จะวูกแล้วก็นิ่งสงบสบายเยน็นถึงแม้ว่าจะตกลงไปในบอ่อในเหวในหลุมแต่ที่ใต้บอ่อที่ก้นบ่อเนี่ยมันมีบอ่อหนาๆรองรับอยู่ จะไม่เจ็บพอลงไปถึงก้นบ่อแล้วจะรู้สึกสบายมีความสุขตอนนั้นจะหยุดคิดหยุดปรุงแต่งตอนนั้นจะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆแม้แต่ร่างกายบางทีก็หายไปจากความรู้สึกนี่คือเรียกว่าจิตรวมเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้หรือถ้าเราสวดมนต์ไม่ได้เราฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้เหมือนกับที่เรากาลังฟังอยู่ขณะนี้ เวลาฟังเทศไม่ต้องบริกรรมพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจคายออกให้มีสติอยู่กับเสียงของธรรมะที่มาสัมผัสกับหูแล้วเข้าไปสู่ใจให้ใจรับรู้ไปเรื่อยๆการฟังนี้ก็ฟังได้สองอย่างสองวิธีด้วยกันฟังโดยโดยมีสติรับรู้อยู่กับเสียงแต่ไม่ได้คิดตามเรื่องที่กำลังฟังอยู่ อย่างนี้เรียกว่าฟังเพื่อทำให้จิตสงบให้เป็นสมาธิไม่ต้องสนใจว่ามีความหมายอย่างไรเพียงแต่อาศัยเสียงของธรรมะนี้เป็นเป็นหลักยึดดิยึดเหนียวจิตใจไม่ให้จิตใจลอยไปคิดเห็นเรื่องราวต่างๆถ้ายึดติดอยู่กับเสียงของธรรมะที่มาสัมผัสกับหูกับใจแล้วไม่นานจิตก็จะสงบลง แล้วก็จะหยุดคิดเรื่องราวต่างๆได้หรือถ้าอยากจะฟังให้เกิดปัญญาให้บรรลุธรรมขึ้นมาก็พิจารณาตามคิจาราเหตุและผลที่กำลังแสดงอยู่ว่าเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้นะทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้พอเราฟังแล้วเข้าใจปับ๊บเราก็จะบรรลุธรรมขึ้นมาเราก็จะเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปเช่นสอนว่าอบายามุขทั้งหลายนี้ไม่ดี กินเล่าไม่ดีเที่ยวกลางคืนไม่ดีเล่นการพนันไม่ดีคบคนชั่วไม่ดีมีความเกลียดคร้านไม่ดีพอรู้อพอเข้าใจแล้วก็จะตัดได้ ท, ทันทีต่อไปก็จะไม่ทำสิ่งเหล่านี้อีกเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการบรรลุธรรมขั้นหนึ่งแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นการฟังด้วยปัญญาฟังเพื่อให้เกิดความเข้า อ, อเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วก็จะสามารถทาตามได้ เพราะรู้ว่าทำแล้วเกิดโทษทำไปทำไมทำไปแล้วเหมือนกับเอาค้อนมาทุบศีรษะตนเองมีใครจะบ้าเอาค้อนมาทุบศีรษะตนเองบ้างการกระทำที่เป็นโทษแก่จิตใจก็เป็นเหมือนกับเอาค้อนมาทุบศีรษะของเรานี่ยแหละการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเสพยาอายาและการเที่ยวกลางคืนเหล่านี้เป็นเหมือนกับเอาค้อนมาทุบศีรษะเรา มีแต่คนหูหนวกตาบอดเท่านั้นที่จะทำกันคนที่มีปัญญาจะไม่ทำและจะเกิดปัญญาได้ถ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือวิธีที่จะทำจิตใจให้สงบและวิธีที่จะทำให้จิตใจมีปัญญาหรือเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาอยู่จากการเบื้องต้นก็อยู่ที่การฟังเทศน์ฟังธรรมฟังให้สงบก็ได้ ฟังเพื่อให้เกิดปัญญาก็ได้ถ้าฟังแล้วยังไม่เกิดปัญญายังไม่เข้าใจก็ต้องนำเอาไปใคร่ควรไปพิจารณาต่อไปวิเคราะห์ต่อไปคิดอยู่เรื่อยๆไปสังเกตดูสังเกตดูว่าคนกินเหล้าแล้วจเจริญหรือเปล่าคนที่เล่นการพนันแล้วร่ำรวยหรือเปล่าสังเกตดูเอาสิ่งเหล่านี้มาวิเคราะห์ไปเรื่อยๆแล้วไม่นานก็จะเข้าใจจะเห็นความจริง พอเห็นความจริงแล้วก็เรียกว่าวิปัสสนาได้บรรลุแล้วได้บรรลุธรรมแล้ได้เห็นสัจธรรมความจริงว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขกันหน้านี่คือวิธีการที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละที่หลอกใจให้เราไปเกี่ยวข้องกับอาบายามุขเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัว เห็นว่าเล่นการพนันแล้วจะทําให้เราร่ำรวยเช่นทุกวันวันที่สิบหวันที่หนึ่งนี้ซื้อตอตเทอรี่ซื้อหวยกันอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือความหลงนวหลงคิดว่าจะทําให้ร่ำรวยแต่กลับทําให้ยากจนมากขึ้นกับมองไม่เห็นพอซื้อแล้วไม่ถูกก็เศร้าใจก็เศร้าแล้วก็แต่ไม่เคยคิดเลย ว, ว่าเราเศร้าเพราะอะไรเราจนเพราะอะไร พอถึงวันที่หนึ่งใหม่ถึงวันที่16ใหม่ก็ซื้ออีกแล้วนี่เพราะว่าไม่มีปัญญาไม่เจริญมวิปัสสนานั่นเองถ้าเจริ่มวิปัสสนาอยู่เรื่อยๆพิจารณาเหตุและผลคือการกระทำและผลที่เกิดจากการกระทำเราก็จะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเราก็จะไม่โลภตามกิเลสที่จะหลอกให้เราไปทําในสิ่งที่เป็นโทษกับเรา เราก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นคุณกับเราคือเก็บเงินเก็บทองไว้ให้มากๆใช้ให้น้อยๆแล้วต่อไปไม่ช้าเราก็จะรวยขึ้นมาเองนี่คือเรื่องของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของศรัทธาที่พวกเรามีต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมคาสอนถ้าเราน้อมนาเอามาปฏิบัติด้วยสุ ป, ปฏิปนโนุชุยายสางิจิไม่นานเราก็จะ ก็จะปรากฏมีพระพระสงฆ์ขึ้นมาในใจของเราเป็นพระสังฆรัตตะรัตนะเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งทั้งสามนี้ก็จะมารวมกันอยู่ในใจของเราพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในใจของเราพระธรรมก็จะอยู่ในใจของเราพระสงฆ์ก็จะอยู่ในใจของเราเพราะพระธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นคือผู้เห็นพระพุทธเจ้า ผู้เห็นพระพุทธเจ้าก็คือผู้เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เองนี่แหละคือเรื่องของศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของพวกเราถ้าจะศรัทธาต้องศรัทธาแบบนี้อย่าศรัทธาแบบ ล, ยลอยๆอศรัทธาแบบไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนแต่อย่างใดอย่างนั้นศรัทธาไปก็ไร้ประโยชน์ ไม่จะไม่ปรากฏมีพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงขึ้นมาในใจของเราเลยจึงขอฝากเรื่องของการมีศรัทธาต่อพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านได้นําไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรนาสุขะตาละโดยทั่วหน้ากันเธอ